ทำไมจึงมีคำว่นะโมตัตสะพระควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธนะัสสะไม่ว่าพระจะทำอะไรจะสวดมนต์ก็ดีหรือแม้แต่การแสดงพระธรรมเทศนา ก็จะขึ้นวันโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ <c oughs> จริงๆในเนื้อความก็คือเราได้สรรเสริญคุณของผู้หมดกิเลสแล้วก็โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ ไกลจากกิเลสเป็นผู้ดับเพลิงแห่งความเร่าร้อนทั้งหลายอันเกิดจากเพลิงของกิเลสนั่นเท่ากับว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ที่เวียนเกิดตาย เพื่อที่จะได้นำธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละมาปฏิบัติให้ถึงอริยมรรคและอริยผลไม่อย่างนั้นพวกเราก็มาหลงสุขหรือทุกข์อยู่ที่จิตมิใช่หรือ ถ้ามัวถือเป็นความทุกข์ไม่สุขใส่ถ้ามัวแต่ถือก็มีแต่ความทุกข์ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่ผ่องใส่ถ้าไม่ถือเป็นความสุขไม่ทุกข์ใจบอกเออเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์หนา คำเหล่านี้เป็นปัญญาของผู้ภาวนาหากปล่อยวางละจากทุกสุขนิรัน์จิตของฉันได้เลือกทางนิพพานเอ่ยมันเป็นคําสุดท้ายแล้วไม่มีคาไหนยิ่งกว่าจิตของฉันได้เลือกทางนิพ ผ่านเอยจบแล้วฉะนั้นการได้บูชานวัสาการสักการะต่อพระผู้หมดกิเลสทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนมีความเพียร เพื่อจะชนะกิเลสแต่เราไม่ชนะด้วยการก่อเวรมีบาปกันแต่เราจะชนะกิเลสตัณหาและบาปทั้งหมดหลายคนที่บอกชนะคนนั้นชนะคนนี้แต่ตนต้องมาสร้างเวรสร้างบาปทำเวรทำกรรมกัน ไม่รู้เมื่อไรจะอยู่เย็นเป็นสุขหลับนอนนอนก็หลับสนิทตื่นขึ้นมาก็ใจสงบ ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้ลิ้มรสได้กระทบอะไรก็ตามจิตก็มั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถ้าใครปฏิบัติทำได้อย่างนีนะ้นั่นแหละที่เรียกว่าเราได้บูชาทำแล้ว เราได้บูชาต่อพระตถาคตและเราก็ได้น้อมรรมาแล้วให้เกิดมีในจิตภายในจิตจุดเนี้สำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัตตะสงสารทั้งหลายสติปฐานทั้งสี่ ที่บุคคลเจริญปฏิบัติเต็มที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนดเพื่อดับสนิทเพื่อความสงบและเพื่อความรู้ยิ่งสุดท้ายก็คือเพื่อตรัสรู้และ พรานิพานโดยส่วนเดียวถ้าโยมฟังเป็นไงผู้ที่เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่แสดงว่าไม่ว่ารูปกายเวทนาถ้าเรากำหนดให้ดีสภาวะจิต และสภาวธรรมเมื่อก่อนธรรมาก็บอกเอ๊ะธรรมะกำหนดตรงไหนนธรรมะกายรู้กำหนดกายเวทนาเจ็บปวดร้อนสุขทุกข์กำหนดรู้เวทนาจิตจิตของเราหนักอกหนักใจสบายอกสบายใจ เสียอกเสียใจคับแค้นใจเออนี้เราก็พอรู้จิตบ้างแต่บอกว่าสติปัฐานกำหนดธรรมสิกำหนดธรรมะธรรมะคืออะไร กำหนดธรรมะตัมมาไม่ได้พูดเล่นนะกำหนดตรงไหนโยธรรมะก็บอกธรรมะกายเวทนาจิตธรรมเห็นธรรมในธรรมรู้ธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตรู้จิตภายจิตในจิตรู้เวทนาในเวทนารู้กายในกายรู้ธรรมในธรรมเอ๊ธรรมในธรรมมันอยู่ตรงไหน ทำหรือว่ากายกรรมเราทำอะไรหรือว่าจีกรรมเราพูดเป็นกรรมอะไรหรือว่าใจเราคิดนึกเป็นกรรมอะไรอย่างนั้นเรียกว่าทำหรือเปล่าเนะี่ยทำทำทางกายทำทางวาจาทำทางจิตใจหรือยังไม่ใช่ว่าทำกาหนดพิจารณาทำ จุดท้ายเราต้องไปมองว่าอะไรที่ชีวิตดาเนินอยู่อะไรชีวิตที่อยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอะไรชีวิตที่ผ่านพ้นมาเป็นอดีตอะไรชีวิตที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคตมองไปห ล, หลายจุดก่อน เ็เรียกว่าควานหายังไม่สรุปจุดยังไม่ชัดเจนหรือธรรมะคือธรรมชาติดินก็เป็นธรรมะลมน้ำก็เป็นธรรมะไฟก็เป็นธรรมะหรือธรรมชาติ มันเป็นธรรมอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปบอกมันก็เป็นของมันมองกว้างๆไปอีกหรือความดีความชั่วเป็นธรรมะเออหรือบุญบาปเป็นธรรมะน่มองไปกว้างๆอานดับมาเป็นคนไม่ฉันลาดต้องมองกว้างๆ หาเจออะไรยังเนี่ยธรรมะพอจะมาควานหากว้างๆ ก, ก่อนสุดท้ายมาสรุปตรงที่ว่าที่เราพูดมาทั้งหมดที่เรารู้มาทุกสิ่งที่เรากล่าวมาทุกๆเรื่อง มาลงที่ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่กำหนดแล้วมีสภาพทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดียวมีความแปรปรวนและที่สุดมีความเกิดแตกดับสลายเสื่อมมาลายสิ้นสูญ สุดท้ายก็เหมือนกำรรก้อนน้ำแข็งเล่นละลายได้ความเย็นไปสักระยะนะึงแล้วน้ำแข็งก็ละลายสลายหายไปทั้งทั้งนี้มือยังกำรรอยู่แล้น้ำมันไหลออกได้อย่างไรอะยมลองกำให้แน่นเอาเลยละอะยมบอกอย่าไปไหนนะน้ำแข็งกำแต่มาท้าด้ดยให้แข็งแรงสักขนาดไหน ยังไงยังไงมันต้องมีทางไหลออกมาจนได้เออแล้วพอรู้ไหมธรรมะคืออะไรบอกเข้าใจตรงที่ว่าให้พิจารณาเป็นธรรมก็คือให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละคือธรรมะ เราตามบทคำช้างหรือเปล่าจับหูก็บอกว่าช้างจับงวงก็บอกว่าช้างไปคว้าเอาหางก็บอกว่าช้างไปเล่นงานก็บอกว่าช้างสรุปว่าช้างมันอยู่ตรงไหน นั่นมันเป็นอวัยวะแต่ละส่วนพอรวมกันเรียกว่าช้าถ้าแยกกันเขาเรียกว่างวงเรียกว่างาเรียกว่าหางเรียกว่าม้ามเรียกว่าหัวใจเรียกว่าตับเรียกว่าปอดมนุษย์เราก็เหมือนกันรวมกันก็เรียกว่าคนหรือมนุษย์แต่พอซอยเป็นชิ้นเป็นอันเป็นส่วนนี่หูนี้ฟันนี่เล็บนี้หนังนี้เอ็นนี่กระดูกโอมิน่าพระเจ้าให้กาหนดอย่างนี้ว่าเป็นธรรม โ อ, พ อ, อ้พอจะมองเห็นรางรางแล้วพอจะมองเห็นรางรางแล้วเอรทำให้กำหนดลมหายใจเพื่ออะไรเห็นความเกิดดับเออความเกิดดับธาตุสี่ขันห้าความไม่เที่ยง หมุนเวียนผัดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดคงที่ไว้ในสภาพหนึ่งสภาพใดใจรู้ไหมแม่สังคานเองใจครองเองก็ปรุงแต่งเช่อไม่น้อยวันวันหนึง่งเช้าก็อย่างหนึง่งเที่ยงก็อย่างหนึง่งบ่ายก็อย่างหนึง่งเย็นดึกค่มก็อย่างหนึง่งกำหนดไปเรื่อยเรือยเอาละทีนี้มากาหนดดูว่า ทำมันคืออะไรย้อนมาหารูปก่อนรูปประธรรมนามมาทำกายแล้วก็จิตเอาสติมากำหนดรูปกาย เ, เกษาโลมานะค า, า, า, าทันตาตาโจตาโจทันตาะขาโลมาเกษาภาวนาไม่เกิดปัญญาชักง่วงละชักง่วงเบลเมึนมนหรือชักเพลินและเพลิน ทำไมพระพุทธเจ้าให้เป็นจากกรรมฐานหรือมูลกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาพระอุปชายะใครจะเป็นอุปชายะจะต้องให้กรรมฐานเกศโลมาก่อนเด็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนถึงอาการส2สอง แล้วให้พิจารณาต่อว่าไม่เทียงเป็นของไม่งามเน่าเปื่อยและมีความผุกร่อนแล้วแตกดับไปเสื่อมสลายไปบาลายไปสิ้นไปเออเข้าใจแล้วรูปกายนี้ธรรมะอยู่ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มาลงอยู่คํานี้จริงๆนะพอพิจารณาเสด็จมาก็เอาคํานี้มาเทียบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเหมืนพวกเราเกิดแล้วก็มาปรากฏอยู่ในสักระยะหนึ่งกี่ปีก็ว่ากันไปบอกไม่ได้ว่าต้องยี่สิบสามสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบหรือร้อยปีหรือวันเดียวทุกคนเติมได้ในช่องนี้หมดเลย คำว่าตายเติมของโยมเติมปีไหนไม่รู้เนาะของธามา ส, สงสัยอีกไกลไกลแต่บางทีก็ดูเหมือนมันใกล้เลือเกิดสามสีวันนี้จิตตื่นพอสมควรตื่นตื่นเรื่องกรร ม, มาฐาน เรื่องความตายมันใกล้เข้ามาลูกศิษย์ยังตายอาจารย์จะเหลือหรือโยลูกศิษย์ไม่รอดอาจารย์จะรอดหรือมันก็ตื่นขึ้นไม่ได้ตื่นเต้นตื่นตุมแต่ว่าตื่นจากสติที่มัวคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆมันบอน่บ อ, นอนแบ่อนออน โยมก็ตื่นเหมือนกันแหละอรตมาว่าตื่นยิ่งไปเห็นอรชุภสัญญาได้พิจารณาสังขารวันนั้นต้องมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาตัวครําอืดเขียวมีหนอนนิดนหน่อยๆแล้วลืวมได้อารมณ์ เป็นอารมณ์จิตที่มันเกิดความสงบและสลดปตะมาตอนนั่งรถกลับนี่หัวใจนี้หน่วงมันคล้ายๆหน่วงๆแน่นๆนะหน่วงๆแน่นๆมันไม่ไปทางอื่นอยู่ตรงนี้ออหน่วงๆแน่นๆกลับไปเที่ยงคืนยังไม่หลับ มนนันตื่นสว่างสว่างในจิตพอตกประมาณสักเที่ยงคืนมาแล้วเบาถึงเองมันเหมือนกับผ่านสภาวะจิตมาแล้วในเรื่องนี้ที่เรากําหนดพิจารณา แล้วก็เกิดธรรมะอีกสภาวะหนึ่งก็มารองรับจิตใหม่จิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นธรรมะอหนึ่งข้อเมารู้ว่าไม่เที่ยงก็ไม่ควรยึดนั่นแหละพ้นทุกตรงเนี้ยนี่แหละคือธรรมนี่แหละคือธรรมพอรู้ว่าไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ควรยึดเมื่อไม่ยึดก่อน ดับทุกนั่นนี่แหละคือธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าคือดับทุกนั่นเองสุดท้ายตั้งมาโอเข้าใจแล้วอันเดอร์แสดงแล้วเข้าใจแล้วสุดท้ายธรรมะมาจบที่ว่าดับทุกแล้วรู้ธรรมในจิตรู้จิตในธรรมรู้ธรรมในธรรมเห็นเกิดดับธรรมในธรรมรู้แจ้งในจิต ก็คือจิตนั้นดับทุกข์ถ้ารู้ชีวิตในธรรมก็รู้ว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานั้นฟาดฟันพวกเราทุกคนสัตว์น้อยใหญ่ทั่วทุกตัวตนไม่เว้นบุคคลใครเลยพอกำหนดลงไปเสร็จบอกเออเข้าใจแล้วอสุภสัญญาก็คือทำอย่างนั้น พิจารณาเห็นความตายก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งธรรมเป็นสภาพธรรมเห็นเกิดปรากฏเสื่อมชลายแล้วก็แตกดับแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าแท้จริงคือดับทุกข์อะไรก็ตามที่โยมกำหนดธรรมะหมวดในข้อในสภาวะธรรมใดๆก็ตามเมื่อธรรมนั้นดับทุกขจิตได้ บรรลุตรงนั้นแต่ถ้าทำนั้นพิจารณาแล้วได้เพียงแค่สงบมันก็บันเทาถ้าเพียงวางเฉยละความมอมัวยึดมั่นถือมัน่นมันก็เพียงกำว่าระงับไปแต่ถ้ามันดับทุกข์จริงๆแล้วก็นั่นแหละจิตเขาเรียกว่าถึงธรรม ถึงธรรมของพระอาหารหันต์อย่างนั้นเขาเรียกว่าเรารู้สภาวะจิตเท่านั้นแต่ยังไม่บรรลุสภาวะธรรมพวกเราเนี่ยรู้สภาวะจิตกันพอสมควรนะแต่ยังไม่ถึงกับว่าสภาวะธรรมที่ดับทุกได้ แต่มาก็เลยมาตั้งป้อมตรงนี้บอกเออเข้าใจแล้วสุทธาสดิปัฏฐานกำหนดรูปเมชนาจิตทมอะไรเนี่ยนะที่สุดมันลงอยู่ที่ว่าทมนั้นดับทุกข์ได้หรือยังเหมือนโยมไปเจออะไรก็ตามจิตนี้มีทมดับทุกข์ได้ไหม ถ้าดับทุกข์ได้นั่นแหละสุดยอดแห่งธรรมของพระอระหันต์พอดับทุกข์ได้เขาเรียกว่านิโรธถ้าเข้าสมาบัติเขาเรียกนี้นิโรธสมบัติดับแต่ถ้าอยู่ในธรรมธรรมอันเป็นนิโรธธรรมนั้นดับโอ้แต่มาบอก เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าพูดสั้นๆเกิดดับเกิดปรากฏแล้วก็ดับเหมือนยิงพรุไฟเพิ้วโหแตกโป้งกระจายสวยงามมากแล้วก็ดับๆๆๆๆับดเห็นไหมก็ค่อยดับแตกกระเซ็นไปมีหน้าพระที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้า หลังจากออกพัออกพนษาแล้วฝนตกช่วงนัดหยดยังมีฝนอยู่ต้นลมปลายฝนประมาณออกพันษาแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ชัยคาหลบฝนฝนก็ยังตกตกและหยด หยดลงสู่พื้นจากชายคาพิสูรรูปหนึ่งก็มองเห็นพอตกเกิดเป็นฟองน้ำยมเคยเล่นเป่าลูกโป่งไหมเออบางทีเราเล่นแบบเอาแฟซ่าเนาะมาใส่หลอดเป่านสนุกดีเนาะแต่ไม่เล่นแล้วละ่ะแต่เคยเล่นไม่เล่นละ ให้เด็กเล่นต่อเราเด็กโตแล้วเราเป็นเด็กผ่านมาหลายสิบปีแล้วพระท่านก็พิจารณาที่เรียกท่านก็มองธรรมดาแต่พอระลึกได้เกิดคำว่าพระสติพอพระสติเกิดก็มองเห็นน้ำกระเซ็นลงเป็นฟองฟองแล้วแตกพอน้ำหยดลง เป็นฟองแล้วแตกกระเซ็สติะระลึกได้เกิดปัญญาเห็นธรรมตรงนั้นว่าเออเกิดแล้วก็แตกดับชีวิตนี้เกิดแล้วก็ดับลมหายใจเกิดแล้วก็ดับร่างกายนี้เกิดปรากฏแล้วก็ดับสบรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดดับที่บอกเออคำนี้เองที่พระสารีบุตรท่านบรรลุ ยังกินจิตสมุทัยะธรรมังสัพพันตังในโลทะธรรมันติท่านบอกทำเราใดที่เกิดขึ้นทรรา น, นั้นก็ดับไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ดั บ, บอเออเห็นสิ่งเกิดแล้วก็ดับความหมายอยู่ตรงนี้ นิโลทะันดับเห็นความเกิดปับพระสารีบุตรฟังแล้วรู้แจ้งธรรมบรรลุคุณนัธรรมในขั้นโสดาปติพุทธรมเราได้มีมาติเหตุประทถาคตดับเหตุแห่งธรรมคือไม่ปรุงไม่แต่งตรงนั้น ได้วความดับแห่งธรรมถึงบอกเออพระพุทธเจ้าก็ตัดเหตุแห่งธรรมเหมือนกันเยธรรมมาเหตุปปะภาวะเยธรรมมาบอกเออพระพุทธเจ้าเราแสดงธรรมเหล่าใดมีมาแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมแล้วก็ดับแห่งธรรมนั้น แสดงว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาทั้งหมดแสดงเหตุและความดับของเหตุนะั้นบรรทุกเกิดบอกกําหนดให้รู้ทุกข์ก่อนและเหตุแห่งความทุกข์พร้อมกับความดับทุกข์ด้วยไม่ใช่รู้แต่ทุกข์และดับไม่เป็นมนุษย์เราเนี่ยรู้เรื่องทุกข์เก่งนักเลย วันวันหนึ่งหน้าดำเข้าเคร่งหน้าดำเข้าเครียดบางคนยิ้มไม่ได้เลยเป็นวันวันทุกจัดระวังเดี๋ยวโรคจะถามหายิ้มซะบ้างคลายอิริยาบถอโหไม่ยิ้มเลยเดี๋ยวมะเรงถามหานะมะเรงชอบอยู่กับความโกรธจัดนะ ไม่ได้ไม่ได้ต้องเย็นไว้เย็นเนี่ยมันรักษาอุณหภูมิไว้นะไม่ให้ของเน่าไม่ให้ของเสียแล้วก็สบายถึงบอกเออรักษาจิตรักษาจิตก็คือรักษาธรรมคนที่รักษาธรรมนั่ น, นคือคนรักษาชีวิตรวมหมดเลย รักษาจิตเท่ากับรักษาธรรมแต่ถ้ารักษาธรรมเท่ากับรักษาชีวิตทุกทุกอย่างโยมสังเกตไหมใครก็ตามบอกเป็นผู้บําเพ็ญธรรมแล้วทั้งหมดแล้วศีลก็อยู่ในตรงนั้นแหละในประทุษาร้ายไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่ขาดสติไม่เพ้อเจอ้อไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง สุดท้ายแม้แต่ว่าขัดเครืองเออธรรมารู้แล้วสติเรากำหนดเห็นความเกิดดับสุดจะหักเยื้อหยุดฉุดเอาไว้เหมือนก้าวหนึ่งกำลังเดินเข้าเข้ากองไฟเก้าวหนึ่งใส้นั่งหายใจอยู่ที่นี่เอง ใครเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีแรกนื่งว่าอยู่หน้าประตูหันไปหันมาเอะ๊ะมันนั่งอยู่ข้างได้อย่างไรอา้าวมันใกล้เข้ามานะเกิดกับตายมันของคู่กันมาตั้งแต่เริ่มแล้วแก่กับเจ็บมันก็คู่กันมาตลอดอาตมาจึงบอกว่าความทุกข์และความสุขเป็นเพื่อนร่วมจิตมาทุกพบทุกชาิใครจะรู้ก่อดีไม่รู้ก่อตาม ต้องหัดพยายามกำหนดแล้วจะรู้ความจริงไม่ใช่คำปดแต่มาบอกเข้าใจแล้วสุขกับทุกข์เป็นสิ่งที่คู่กับจิตมาอยู่หลายชาติที่เราใช้มาแล้วเพียงแต่เราไม่กำหนดและไม่แยกแยะว่าสิ่งใดเลิศ สิ่งใดประเสริฐกว่าสิ่งใดควรละสิ่งใดควรวางสิ่งใดควรจเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นเราไม่ทำความเพียรตรงนี้เสียโอกาสแล้วก็ขาดทุนเรากลับไปบำรุงเนื้อนหนังเสียมากแต่เราไม่จเจริญในเรื่องของจิตภาวนาะ ถึงบอกจิตมนุษย์ยากใช่อย่างถึงภูเขายังวัดวากําหนดแต่จิตมนุษย์เลี้ยวคดไม่รู้จะวัดยังไงโยมเอยเชื่อกี่ม้วนกี่ม้วนก็ไม่ถึงโยมไม่ถึงมันยาวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อริงจริงมนุษย์ถ้าไปยืนกับภูเขาก็เตี้ยนิดเดียวเท่ากับมดตัวหนึ่ง โอ้แต่ถ้าวัดกันแล้วภูเขานี่วัดจบมนุษย์ยังวัดไม่จบยังดิ่งลึกไม่รู้ไปไหนถึงบอกเออภูเขาวัดว่ากำหนดอย่างได้นะจิตมนุษย์ยากแท้และที่อย่างถึงด้วยนะทีนี้เราพอรู้เสร็จ ต้องถามว่าเบื่อความเกิดละอย่างอ้าวคำถามมาอีกแล้วโยมเบื่อให้ไปเบิร์ดเดย์อะไรอย่างายังไม่เบื่อโยมก็ยังไม่สแสวงหาทาอันเป็นความดับเราสแสวงหากุศลแห่งความเกิด แต่ไม่ได้สแสวงหาทำแห่งความดับอันแท้จิถ้าอย่างนี้ต่างคนต่างไปแล้วกันโยมจะไปซ้ายอัรมาก็จะไปขวาโยมจะไปขวาธรรมาจะไปซ้ายถ้าโยมจะไปก่อนธรามาจะนั่งอยู่ตรงนี้พูดอย่างนี้แตว่าไม่ร่วมทางกันแล้วละ นั่นก็หมายถึงว่าเราไปคนละทางผู้หนึ่งยังปรารถนาความเกิดอันแรงกล้าก็ต้องไปเกิดต่ออีกกลุ่มหนึ่งไม่ยินดีแล้วในความเกิดมีจิตอันปล่อยวางภาระ มีจิตอันละวางกิเลสน้อยใหญ่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในโลกทั้งสองนั่มีจิตอันว่างแล้วก็มีใจอันว่างจากกิเลสแสดงว่าคนละภาษาจริงๆฉันถ้ายมจะเดินทางต่อ โยมต้องสร้างกุศลเยอะๆมีคำแนะนำเรื่องมันมีเยอะในครั้งพุทธากาลมีเยอะโยมเชื่อไหมว่าลูกสาวเรียกพ่อว่าน้องชายไม่ได้บาไม่ได้เพี้ยนไม่ได้เพอ้อ แต่พูดจากสติและสัมปชัญญะเรื่องมีอยู่ว่าท่านอนาบินทิกะเศรษฐีมีลูกสาวอยู่สามคนลูกชายก็มีคนโตก็บรรลุโสดาบันนะคนรองมาก็บรรลุโสดาบันอีกส่วน ลูกสาวคนเล็กดูแลเรื่องโรงทานเวลาการบริจาคทานอยู่มาวันหนึ่งก็ป่วยหนักใกล้จะสิ้นนั้นละ่ะก็บอกว่าให้คนใช้ไปตามท่านเศรษฐีมา ให้พ่อมาดูใจเส้นหน่อยเรียกมาพอพ่อมาเสร็จพ่อก็ถามเป็นไงลูกป่วยหนักไหมลูกเวทธนามากไหมลูกไข้ลดไหมลูกว่าประมาณนี้นะบางทีก็ต้องเติมเองบ้างเพื่อให้มันครบเครื่องลูกสาวก็บอกว่ามไม่เป็นไรน้องชาย ลูกเรียกพ่อบังเกิดกล้าวว่าน้องชายพ่อก็บอกลูกทำไมเรียกพ่อว่าน้องลูกคงเพอแ ล, ะละ้วล่ะลูกก็บอกว่าน้องชายพี่สาวไม่ได้เพอปะ่ะอยู่ๆอีนางอื่นพ่วน้อง ยืนยันว่าเรียกอย่างมีสติน้องชายแล้วก็สิ้นใจท่านเศรษฐีก็รู้สึกสลดใจอยู่บ้างว่าลูกถวายทานสร้างกรรมดีขนาดนี้ตอนจะสิ้นทำไมยังเพออยู่เฝ้าพระพุทธเจ้าเรื่องทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ เศรษฐีก็เล่าให้ฟังเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบว่าลูกสาวเพ้อเรียกตนว่าน้องชายท่านอนาบินิกาเศรษฐีบรรลุโสดาปติผลแต่รู้ไหมลูกลูกสาวคนนี้สำเร็จเป็นส ก, กทาคามีผลเป็นพี่สูงกว่าอีกหนึ่งขั้น จึงเรียกพ่อว่าน้องชายเรียกตามสับแห่งธรรมไม่ใช่เรียกตามเนื้อหนังของพ่อลูกเรียกในอรรยมรรคอรรยผลทางจิตวิญญาณว่าน้องชายพอท่านเศรษฐีทราบความจริงก็เปลื้มปิติปราโมทบอกเออลูกสาวเราไม่ได้เพอ้อจริงๆบรรลุ เป็นสะกทาคามีผลพ่อไม่รู้นะไม่รู้นี่คือเรื่องหนึ่งครั้งอดีตยังมีอีกมีอีกนิกเกษตรีลูกชายก็เยอะจนป่วยหนักเลยเจ็บป่วยบอกไปนี่มนพระมาสาทยายทำให้หน่อยอยากจะฟังก่อนที่จะ ละจากโลกนี้ไปสติสมบูรณ์แบบมากแล้วก็รู้ว่าอายุไขใกล้จะหมดเหมือนเทียนใกล้จะดับเหมือนตะเกียงใกล้หมดน้ำมันลูกชายก็ไปอาราธนานิมนต์พระมานิมนต์พระพระก็สาธยายทำ ในธรรมข้อสติปัฏฐานสูตรสาธยายไปสาธยายมาท่านเศรษฐีบอกหยุดก่อนหยุดก่อนพระก็เลยต้องหยุดเศรษฐีบอกให้หยุดคือท่านฟังไปฟังมาท่านก็หลับตาฟังใจน้อมสู่กันฟังการสาธยายเป็นภาษา บกทฟังเข้าใจหมดแต่พอดีบรรดาเหล่าเทพเทยดาบนชั้นฟ้าทั้งหมดลงมาเพื่อจะเชิญท่านเศรษฐีไปอยู่ในสวรรค์ของชั้นตนเอาโยมอยากเข้าใจว่าสวรรค์เทวดามากมายนะ ใครที่ผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีสวรรค์ทุกชั้นยินดีปราทานนาให้เราไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นเหมือนญาติที่รอคอยพวกเราอยากให้ไปอยู่ก็เอาราชรถมายาวสุดลูกหูลูกตากันแต่ละชั้นแต่ละชั้นเพื่อรับเทพระบุตไป ก็เซ็งแทรกกันท่านเศรษฐีบอกหยุดก่อนมันบอกาอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเรากำลังฟังทำอยู่แต่ทางนี้ได้ยินว่าให้หยุดก็เลยหยุดอพอพระจะกลับเศรษฐีก็บอกหยุดอีกอะไรพระก็เลยกลับ ลูกก็เสียใจสิพ่อนิเผิรอีกแล้วให้ลูกนิมนทรัธนาพระคุณเจ้ามาพ่อมาเสร็จก็บอกให้หยุดจะ ก, กลับก็บอกให้หยุดทำไมพ่อของเราเป็นอย่างนี้พ่อเรามีศีลมีธรรมแท้ๆจะตายทำไมพ่อหลงได้ รู้สึกอับอายพ่อก็ลืมตามบอกลูกพระไปไหนแล้วบอกกลับวัดแล้วโดยขนนอยูอย่ใ ด, ดเมื่อวัดแล้วขนนอยพระกลับวัดแล้วหรือกลับแล้วขนนอย เขาภาษาอีนน ส, สานบนมวลเน๊ะบนอื่นคันหน่อยโดยคันหน่อยโดยนี่เพรว่าเพราะนะคือคือครับหรือว่าจ้าโดยคันหน่อยเมื่อหมดแล้วเป็นอย่างไดที่เมื่อบทท่านจบตัวอกับพ่อแล้วบอกให้หยุดพระก็กลับสิพ่อเออไอที่บอกให้หยุดมั่นบอแมนให้หยุดสวดเลย เวาวกับเท ว, วดาพันว่าดิคือที่บอกให้หยุดบอกว่าเทวดาหยุดก่อนเราจะฟังไม่ได้บอกให้พระหยุดลูกบอกไม่เห็นเลยพ่อพ่อนี้เพ้อใหญ่ถามลูกว่าจะให้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนดิลูกเลือกมา มีมาลัยไม่ลูกบอกมีลูกจงอธิษฐานว่าจะให้พ่ออยู่สวรรค์ชั้นไหนถ้าไม่ผิดน่าเป็นชั้นดุสิตหรือดาวันดึงเนี่ยนะพออธิษฐานจบปุ๊บขอให้สวรรค์ชั้นนั้นรับ เทวดาฉะนั้นรับมาลลยที่ลูกๆอดิธานให้อยู่ในชั้นดุสิตนั้นด้วยปรากฏว่ามาลลยลอยอยู่ในถ้ำกลางนภาอากาศแต่ไม่ร่วงตกลงมาสู่พื้นเป็นที่อัศจรรย์ของบรรดาลูกหลานที่ได้เห็นจึงเชื่อเลยว่าพ่อเรานั้น ไม่ได้หลงมีสติสมบูรณ์แล้วพ่อกระเตือนลูกว่าเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปจงอย่าเศร้าโศกเสียใจโอ้โหสุดยอดได้รับมรดกเป็นทิพยพยวิมานสมบัติมนุษย์หลายคนพอตายแล้วพบกับคำว่าวิบัติ ไม่ใช่ทิพยสมบัติเหนื่อยฟรีไม่โยมตายปุ๊บพบคำว่าวิบัติไม่ใช่ทิพยสมบัติโอ้ยคิดให้ดีมีสติให้ดีลูกๆ ก, ก็เห็นอัศจรรย์ พ่อเกิดเตือนว่าเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปอย่าเศร้าโศกเสียใจอย่าขับแค้นใจพ่อไปสบายแล้วเตือนลูกๆว่าจงรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติภาวนาถ้าลูกปรารถนาใจไปอยู่กับพ่อกระจงสร้างกุศลกรรมดีรักษาศีลไว้ลูกแล้วเราจะได้พบกันอีก นี่คือมรดกในการสั่งเสียไม่ต้องแย่งชิงกันเพราะนี่คืออริยสัพ์สมบัติโอ้โ ห, โหโยอยากตายไหมมวนดิมวน ม, มันสนุกมัน ถ้าไปดูหนังดูละครก็บอกมวแบบมันมันดีอะโยมมันดีมันเนมันถ้าว่าเพลงมวนก็เพลงเพราะถ้าดูหนังมวนก็หนังดีประมาณนี้อนนะนะนี่ตายตายมวนในบ้านเลยคือตายแบบตายดีเออตายมวนตายดีสบายแล้ว แล้วเศรษฐีก็สิ้นใจลงร้องทำไมเขาไ่เป็นเท ว, วดาแล้วอย่างมนุษย์พวกเราเรายังมีโอกาสสร้างบาปเวรกรรมได้ทุกทุกคนรักชอบเกลียดชังพวกเรายังดื่มดำกับมันอยู่ไม่รู้เขามาจืดจางเลยเหมือนยางเหนียวนะ ยิ่งเราเป็นผู้ใครครวนปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมอาตมาก็ไม่แน่อยู่ๆก็บอกถึงเวลานี้มนไปบรรยายได้แล้วป่ะโลกมนุษย์ยังบ่อพอบอเอาเขาก็อยากฟังธรรมเทวดาถ้าไม่ฟังธรรมนี้หลงอยู่กับบุญเขาเรียกว่ากินบุญเก่าอาทิอาตมากลัวคำนี้ บรรดาเทพบุเทพธิดาทั้งหลายที่อยู่บนสวงสวรรค์เขากำลังกินบุญเก่ายมจำไม้นะาถ้าไม่มีการแสวงในกุศลหรือการฟังทำให้กุศลจิตเจริญยิ่งยิ่งขึ้นหลงบุญ ยมจำได้ไหมสุดหนึ่งพระโมคคลาขึ้นไปบนสวงสวรรค์เอานิ้วหัวไม่โป้งเท้าเนี่ยเคลียวิมานของพระอินทร์หรือเท้าส ก, กัดสะเทือนเดือนลื่นไปหมดใครน้อมันทำวิมานแห่งเราที่ไหนได้พระผู้เป็นเจ้าของเราพระโมคคัลลานะมาเตือนสติอย่าหลงในบุญที่กำลังเสพอยู่ แล้วมนุษย์ที่อยู่ดีกินดีมีความสุขอยู่ทุกวันนี้ที่มากด้วยโพคะสมบัติมากด้วยบุญบารมีอยู่เหนือคนอื่นเนี่ยนะอย่าไปเหยียบย่ำต้องช่วยเหลือผู้ตกต่าตกทุกข์ได้ยากความหมายอย่างนั้นจึงจะได้สร้างบารมีเพิ่มทรัพย์ที่มีมากมายจงเกื้อกูลต่อผู้ยากไรต่อชีพามสัมณะด้วย ทานบารมีก็จเจริญขึ้นบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สาธารกุศลบำลุงสัปนชีพรามผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นเขาเรียกว่าใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นอ ร, ริยทรัพย์เป็นบารมีและเป็นโพธิสัตว์ไม่ใช่เป็นสัตว์ บางคนมีเงินไปจ้างค่าควรโอโ ห, โอโหเวนกิงจีงอยาิโยมทั้งหลายใช้ทรัพย์ผิดประเภทซื้ออะไรก็ไม่รู้ฟุ่มเฟือยที่มันไม่เกิดประโยชน์เลยหมดกันเป็นแบบเอา้ามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็บอกให้รู้เหตุ ผลที่มีสุขทุกข์อยู่แล้วก็ชี้บอกทางฉะนัน้นญาติโยมศาสตร์ชื่อชนทั้งหลายอย่ากินบุญเก่านะสร้างบุญไปเรื่อยๆไม่มีอะไรก็ไหว้พระสาธยายธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศล ให้บรรพชนและเจ้ากรรมในเวทยพยมสร้างบารมีได้วันหนึ่งที่จะมาถึงที่เรียกว่าความดับหรือความสิ้นสุดก็แล้วแต่โยมที่จะว่าภูมิพพของเรายังเกิดในภูมิไหนหรือสิ้นสุดแห่งความเกิดในภพภูมิน้อยใหญ่ ถ้ายิ่งกาหนดภาวนาได้ไม่กลัวแล้วละ่ะไม่กลัวคำว่านารกเพราะจิตนี้ไม่มีนรกไม่เห็นนรกอย่างไม่มีก็คือมนุษย์ที่ต้องมาบมเพ็ญเพื่อบรรลุธรรม หรือต้องการเสพกุศลผลบุญปรารถนาก็คืออยู่ในเทวรูปเราไม่ตกตาลงอีกแล้วอยากกินบุญเก่าจําแค่นี้อยากกินบุญเก่าสร้างไปเรื่อย เทวดานางฟ้าเมื่อหมดบุญก็จะลงมาอีกแล้วลงมาอย่างผู้ไม่มีวาสนาเนี่ยจะเป็นผู้ยากไรฉะนั้นเราทุกคนใครชาตินี้ที่ลำบากอยู่แล้วให้พึงสังวรว้ว่าเราวาสนากรรมเก่าทำไม่ดีมา จริงลำบากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแสนยากจะได้อะไรสักสิ่งหนึ่งแสนเข็นรวมแล้วยากเข็นใจจะหาสุขสักวันหนึ่งก็ยังหายากแต่ทุกได้อยู่ทุกวันนั่นไม่ใช่เพราะการเจริญกุศลจิตนั่นเว็นเพราะอากุศลจิตมันมีมากมายที่เราได้สร้างไว้อย่างมาก จริงไม่มีบุญเลยมีชีวิตไร้ความสุขมีชีวิตอยู่แต่ความทุกข์มีร่างกายทนทุกแต่ความลำบากทนความอดอยากอยู่กับความแล้งแค่ทนทุกทรมานอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บโอ้ยชีวิตแบบนั้น โยมลาออกเลยนะไปเขียนใบสมัครว่าดิฉันและกระผมขอลาออกรวมทั้งอาตมาภาพลาออกอย่างเด็ดขาดนิลันดอดไม่กลับไปแล้วอิสานดุนนห้วยห้ยหยกลับไปทำไมอีก เหตยังเหตยังเื็นว่าได้กลับไปทำไหมกลับไปทำอะไรเพราะทางตรงนั้นพวกเราละหมดแล้วยมกำลังสร้างสะพ า, านใหม่นะกำลังสร้างสะพานกำลังทำชะตาชีวิตใหม่นี่แหละสิ่งสำคัญธรรมาบอก วันนี้ยังไม่ตายทำอะไรก็ทำนะแต่พรุ่งนี้ใช่ไม่ตายวันนี้ยังไม่ตายใช่พรุ่งนี้จะไม่ตายเออได้สติหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้ลูกศิษย์ก็สอนหลายอย่าง คือเวลามันไม่ได้บอกมีแต่เราบอกว่าเวลานั้นเวลานี้สุดท้ายเราก็หมดเวลาแต่วันนี้เรามีเวลายโยมจะทำอะไรพระคุณเจ้าจะทำอะไรจะดิ้นรนเพื่อมรักผลหรือดิ้นรนเพื่อปลัดธนะอะไรจงสแสวงเอง ปัญญาเป็นแสงสว่างโยมเลือกอามาทำไมมาเพื่ออะไรบวชทำไมบวชเพื่ออะไรอยู่ทำไมอยู่เพื่ออะไรไปทำไมไปเพื่ออะไรทั้งหมดโยมตอบเองแต่ธรรมาก็มีคำตอบอยู่แล้วโดยเฉพาะ จิตในธรรมธรรมในธรรมและก็ธรรมในจิตชีวิตในธรรมสมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน เดี๋ยวเราไหวพระกัน่าเป็นห่วงญาติโยมทุกคนนะอย่าประมาทพระคุณเจ้าเองก็เหมือนกันเวลาที่มีก็รีบปฏิบัติมุ่งมักผลอย่าไปออกนอกลู่นอกทางกันเพราะถึงเวลาอะไรก็ช่วยเราไม่ได้เลย คุณอย่างอื่นช่วยเราไม่ได้นอกจากคุณความดีบุญกุศลเท่านั้นและก็คุณธรรมจะมาบอกเอ๊ะธรรมะอยู่ที่ไหนเนาะสุดท้ายเคยตะโกนหาแล้วอะไรคือธรรมะธรรมะอยู่ในที่สุดแห่งธรรมคืออะไรโอมาตะโกนกัแบบน้ำตาไหลอยู่ข้างใน ตาบอดอยากไปนิพพานยังไม่ได้แต่งเลยเนี่ยเรื่องตั้งไว้ตั้งเป็นเกือบสิบปีแล้วคนปรานา น, นี้ตายไปแล้วคนน่บอกจะถวายหนังสือให้พระอาจารย์แต่งเมื่อไรโยมปรานาหมดเลยคงเป็น ท, ท, ท้ายชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วท้ายตอนไหนก็ไม่ทราบหรืออาจจะไม่ได้แต่งเลยก็ไม่รู้ แต่รู้รู้ตาบอดอยากไปนิพพานฟังแล้วเป็นไงโยมดีเนาะ อ, อ, อีกเล่มหนึ่งแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นสองเล่มนี้ติดมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้แต่งหรอกนามปากกาหลวงพ่อตายยังไม่มีใครแย่งนะนามปากกานี่หลวงพ่อตายนามปากกาเทศใช่ ไ, ไมมมีนามปากกาหลวงพ่อตาย ก็ต้องรู้ว่าตายจากอะไรถ้าตายจากอากุศลตายจากบาปตายจากความพยาบาทอาฆาตตายจากกิเลสสุดยอดเลยหลวงพ่อเนี่ยนะหรือว่าตายจากลมหายใจก็แล้วแต่คิดกันไว้พระ